เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2551เป็นวันสำคัญของเด็กๆเพราะเป็นวันเด็กทางการทางรัฐบาล เห็นความสำคัญของเด็กๆจึงได้ให้มีวันเด็กขึ้นมาเพื่อจะได้ทำอะไรที่ดีให้กับเด็กๆ เ, เพราะเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้จะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติต่างๆ ท, ที่ผู้ใหญ่ ได้สะสมได้หาไว้ในวันนี้ดังนั้นการที่จะให้เด็กนั้นเป็นผู้ที่มีความรับผิด ช, ชอบเป็นคนดีเพื่อที่จะได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบทอดสมบัติของชาติต่อไป ก็ต้องมีการให้การศึกษามีการสั่งสอนอบรมเด็กดังในภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอย่าปล่อยให้เด็กทำอะไรตามอำเภอใจมากจนเกินไปและถ้าเด็กทำอะไร ที่ไม่ถูกที่เกิดความเสียหายขึ้นมาทั้งกับตัวเด็กเองและกับผู้อื่นก็ควรมีการว่ากล่าวตักเตือนและมีการลงโทษบ้างตามพอสมควร <c oughs> เพื่อให้เด็กได้เห็นโทษของการกระทำผิดจะได้จำไว้และไม่ทำต่อไป แต่ก่อนที่จะทำโทษเด็กก็ควรที่จะสอนเด็กก่อนสอนให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์แล้วก็คอยสอนอยู่เรื่อยๆคอยเตือนอยู่เรื่อยๆเวลาเด็กทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ควรที่จะ ห้ามปรามและตักเตือนถ้าเด็กยังฝืนทาอยู่เรื่อยๆก็ต้องมีการลงโทษบ้างในในในเวลาที่สมควรแต่ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้อารมณ์กับเด็กถ้าเด็กทำอะไรไม่ถูกใจ หรือเด็กไม่ทำตามที่พูดก็ต้องรู้จักระงับดับอารมณ์ความไม่พอใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลงโทษเด็กในขณะนั้นเพราะเด็กเขาจะไม่รู้เขาจะไม่เข้าใจเวลาจะลงโทษก็ต้องมีการบอกกล่าวกันให้รู้เรื่องก่อนว่าที่จะลงโทษนี้เพราะอะไรทำอะไรผิด แล้วจะลงโทษอย่างไรก็พิจารณาไปตามความสมควรสมัยนี้ไม่ต้องตีก็ได้เพราะมีวิธีอื่น mm hmm. เช่นห้ามไม่ให้ดูโทรทัศน์ห้ามไม่ให้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านอย่างนี้ก็เป็นการลงโทษได้หรือตัดค่าขนมก็ได้ หรือให้เด็กนั่งอยู่เฉยๆสวดมนต์ไปพงังงไปก็ได้การลงโทษไม่จำเป็นที่จะต้องถึงกับการใช้กำลังต้องตีต้องเคี่ยนกันขอให้เราใช้เหตุใช้ผลจะเป็นประโยชน์กว่า <c oughs> ถ้าเราคอยให้สิ่งที่ดีกับเด็ก แล้วต่อไปเด็กก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่ถ้าเขาไม่เป็นตามที่เราอบรมสั่งสอนก็แสดงว่าเขามีเชื้อเก่าที่ที่แรงกว่าที่จะรับคำสั่งสอนของเราได้เราก็ไม่ต้องไปเสียใจถือว่าเป็นกรรมของเขาก็แล้วกัน เพราะเด็กที่มาเกิดในในโลกนี้มีความแตกต่างกันเด็กบางคนเกิดมาแล้วก็มีความรู้ความฉลาดความดีมากกว่าพ่อกั่าแม่พ่อแม่แทบจะไม่ต้องสั่งสอนเลยเช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตร เป็นบุตรที่มีความรู้ความสามารถความดีมากกว่าพ่อแม่รองลงมาก็เด็กที่มีความรู้ความสามารถมีความดีพอๆกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ต้องค่อยสอนมากเพราะจะรู้คิดถูกดีชั่วพอๆกันส่วนเด็กที่มาเกิดแล้ว มีความรู้ความสามารถมีความดีน้อยกว่าพ่อกับแม่อย่างนี้พ่อแม่ก็ต้องขยันคอยว่ากล่าวตักเตือนคอยสั่งสอนอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะน้อมเอาสิ่งที่สั่งสอนไปปฏิบัติได้ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่อยู่ในความสามารถของเขา ไม่อยู่ในวิสัยของเขาเพราะเขาไม่มีบุญเก่ามานั่นเองเขาไม่ได้สร้างความดีมาพอเขายังมีความหลงยึดติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเช่นเกเรไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องทำใจ ขอให้เราคิดว่าลูกของเรานี้ความจริงเขาเป็นเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองเป็นลูกของเราเพียงครึ่งเดียวคือลูกทางกายส่วนทางจิตใจเขานั้นเขามีพ่อแม่ที่ไม่ใช่เราพ่อแม่ของจิตใจก็คือกรรมนั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนได้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตน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 ถ่ายทอดให้กับเขาได้เขาก็ยังต้องไปทําบาปทํากรรมต่อไปแต่ถ้าพ่อแม่พยายามอดทนสอนไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะรับได้บ้างอาจจะไม่ได้มากเท่าที่พ่อแม่ต้องการก็อย่าไปเสียใจคิดเสียว่าเขาก็เป็นเหมือนกับคนที่มาขอน้ํากับเรา บางคนก็เอากระป๋งใบใหญ่ๆมาบางคนก็เอาแก้วใบเล็กๆมารองน้ําเราก็ให้น้ําได้เท่าที่เขาเอาภาชนะมารองถ้าเขาเอากระป๋งใบใหญ่มาเขาก็รับน้ําไปได้มากถ้าเขาเอาแก้วใบเล็กๆมาเขาก็จะรับไปได้ไม่มากนั้นใดเด็กๆก็เช่นเดียวกันเด็กบางคนจะรับรู้รับการสั่งสอนจาก พ่อแม่ได้มากสั่งสอนอะไรก็จะจดจําไว้และจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วนบริบูรณ์เด็กบางคนสั่งสอนไปเท่าไหลาก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างลืมทําไม่ได้เลยก็มีแต่พ่อแม่อย่าไปเสียใจและอย่าไปทุกข์มากจนเกินไปเพราะมัน ทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของบุญของกรรมที่เขาได้ทำมาเรามีหน้าที่สอนเขาก็สอนไปแต่การสอนนี้ก็ควรที่จะสอนทั้งการพูดและการประพฤติของเราเองด้วยเราต้องทำเป็นตัวอย่างเช่นเราสอนให้ลูกทำบุญให้ทานรักษาศีลเราก็ต้อง ทำบุญให้ทานรักษาศีลด้วยเช่นวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็พาลูกๆมาวัดมาทำบุญตักบาตรมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันถ้าเรามาเขาก็จะมากับเราแต่ถ้าเราไม่มาแล้วเราส่งให้เขามาสั่งให้เขามาเขาก็ไม่อยากมาเพราะเราไม่ได้ทาเป็นตัวอย่างนั่นเอง เราจะสอนเขาเราต้องสอนสอนแบบคนอย่าไปสอนแบบปูปูนี่สอนลูกให้เดินตรงแต่ตัวแม่เองก็เดินไม่ตรงแม่ก็เดินเฉยไปเฉยมาแต่สอนให้ลูกเดินตรงตรงลูกเห็นแม่เดินอย่างไร ล, ลูกก็เดินตามอย่างนั้นฉนันใดถ้าพ่อแม่ไม่อยากให้ลูก สูบบุหรี่หรือเดิมสุระพ่อแม่ก็ต้องไม่สูบบุหรี่เดิมสุราถ้าไม่อยากให้ลูกออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านพ่อแม่ก็ต้องไม่ออกไปข้างนอกบ้านอย่างนี้ถึงจะมีน้ำหนักกว่าถ้าไม่อยากให้ลูกโกหกก็อย่าไปโกหกกับลูกเพราะลูกเขาก็จะจำเอาไว้ ถ้าไม่อยากจะทะเลาะให้ลูกทะเลาะเบาะแวง้งเราก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าไม่อยากให้ลูกพูดคำหยาบเราก็อย่าไปพูดคำหยาบอย่างนี้คือการ ส, สอนคือสอนด้วยการพูดและสอนด้วยการประพฤติเพราะบางอย่างนี้ต้องอาศัยการพูดเพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นถึงเหตุและผล ว่าทำไมถึงจะต้องทำอย่างนี้ทำไมถึงไม่ให้ทำอย่างนี้เพราะมีผลอะไรตามมาเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนพระราหุลในสมัยที่บวชเป็นสนัมมณีว่าไม่ให้พูดปดให้พูดแต่ความจริงเพราะการพูดความจริงนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้ตัวเรามีคุณค่าถ้าเราพูดปดแล้วตัวเราจะไม่มีคุณค่าอะไรเวลาพูดอะไรกับใครก็จะไม่มีใครให้ความเชื่อถือนั่นเอง mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงตักน้ำใส่ขันแล้วก็ทรงเทน้ำออกททลทเล็กเทีละน้อยแล้วก็ทรงตรัสสอนพระราหุลว่า ทุกครั้งที่เธอพูดปดพูดโกหกก็ เ, เหลืกับเทน้ําในขันนี้ทิ้งไปเทลเล็กเทเล่น้อยถ้าพูดอยู่เรื่อยๆพูดปดอยู่เรื่อยๆน้ําในขันที่มีอยู่นั้นก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่น้ํานี้ก็เปรียบเหมือนกับความดีงามในตัวของเราคุณค่าของเราความน่าเชื่อถือของเรานั่นเองถ้าเราพูดปดไปไดเรื่อย ความน่าเชื่อถือของเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนต่อไปจะไม่มีใครจะเชื่อถือเราเราพูดอะไรจะไม่มีใครเขาจะเชื่อถือเราอีกต่อไปดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ตัวเรามีคุณค่ามีให้คนเห็นคุณค่าของตัวเราเราก็ต้องไม่พูดปดเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆ ให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่พูดจริงพูดตรงไปตรงมารักษาคําพูดสัญญาอะไรกันไว้แล้วก็ต้องรักษาสัญญานั้นไว้ถ้าไม่เช่นนั้นต่อไปลูกของเราเขาก็จะเอาตัวอย่างจากเราไปใช้แต่ถ้าเรารักษาคําพูดไว้เขาก็จะเอาตัวอย่างของเรานี้ไปใช้เช่นเดียวกันเขาจะดูเราเป็นแบบฉบับ เราเป็นเหมือนกับแม่พิมพ์ของเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเขา <c oughs> เพราะเขาอยู่กับใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราพูดและเราทำแต่เด็กบางคนนั้นถ้าเป็นเด็กที่ฉลาดถึงแม่พ่อแม่จะไม่ทำในสิ่งที่ที่ดีที่งามเขาก็จะไม่ทำตาม เพราะเขามีบุญเก่ามาพอที่จะคอยสอนเขาให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วบางทีพ่อแม่บอกให้ลูกโกหกลูกก็ไม่ยอมโกหกก็มีเพราะเขารู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เขาต้องโกหกหรือทำผิดศีลผิดธรรม เพราะเมื่อเขาเคยทำอะไรมาอยู่ในจะติดมากับใจเขาแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปคนบางคนจึงไม่ไม่พูดปดไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเพราะว่าเขาได้สะสมบุญเหล่านี้มาก่อนในอดีตจนเป็นติดมาเป็นนิสยัยเหมือนคนที่ถนัดมือขวา หรือมือซ้ายบางคนเกิดมาแล้วถนัดใช้มือขวาบางคนก็ถนัดใช้มือซ้ายเพราะเขามีความถนัดมาเขาเคยเขาเคยติดตัวมาอย่างนั้นเคยใช้มือซ้ายมาก่อนพอมาเกิดชาตินี้ก็ใช้มือซ้ายต่อเคยถนัดมือขวาพอมาเกิดชาตินี้ก็จะใช้มือขวาต่อไป แต่ถ้าเขาเป็นเด็กแล้วเราเห็นว่าการใช้มือซ้ายลื่นมือขวานี้สมมุติว่ามันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเราก็ยังสามารถสอนเขาให้ใช้มือซ้ายลือมือขวาได้เพราะตอนเป็นเด็กๆนี้จะจะรับง่ายจะเรียนรู้ง่ายกว่าตอนที่โตแล้วเด็กๆเป็นเหมือนกับไม้อ่อนที่ดัดง่าย แต่ผู้ใหญ่นี้เป็นเหมือนกับไม้แก่ถ้าดัดแล้วมันก็จะมีแต่หักอย่างเดียวดังนั้นก็ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงามในขณะที่ลูกๆยังมีอายุน้อยยังเป็นเด็กอยู่พยายามสอนเขาในสิ่งที่ดีที่งามต่างๆให้เขาได้รับรู้และได้รับเอาไปฝึกทำ ทั้งแต่เด็กๆเกพราะจะติดเป็นนิสัยกับเขาต่อไปพอโตขึ้นแล้วเขาก็จะติดมีนิสัยที่ได้ถูกอบรมสั่งสอนมาเช่นถ้าเราพาลูกๆมาวัดอยู่เป็นประจำพอต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะติดนิสัยเขาก็อยากจะมาวาัดอีก นอกจากพวกที่เป็นพวกที่ด้านหรือมืดบอ่จริงๆพวกที่มีกรรมเก่าเยอะทําบาปมาเยอะพอโตขึ้นแล้วพอแยกไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วเขาก็จะไปทําในสิ่งที่เขาถนัดในสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาชอบกินเหล้าเมายาเสพสุราเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเขาก็จะไปทําในสิ่งเหล่านั้น ก็ต้องถือว่ามันหมดหน้าที่ของพ่อแม่แล้วพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่แล้วตอนที่เขาเป็นเด็กแต่เมื่อเขาโตแล้วเขาจะทาอะไรต่อไป <c oughs> ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยอย่าไปทุกข์อย่าไปเสีย อ, อกเสียใจเพราะจะทาให้เราทุกข์ไปเปล่ า, าเจ็บตัวไปปปะ่ า, าไม่เกิดประโยชน์อะไร เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางคนสอนก็อย่าไปยึดไปติดกับลูปสิทธิ์ ม, มากจนเกินไปต้องยกดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราเป็นคนดีให้ทำดีให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีทุกคนที่จะทำดีตามได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มาเสีย อ, อกเสียใจ ไม่ได้มากินกินไม่ได้นอนไม่หลับกับลูกศิษย์ลูกหาแต่อย่างใดเพราะท่านทรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นมีไม่เท่าเทียมกันเหมือนเป็นพวกบัวสีเหล่านั่นเองพวกที่ดีพืกที่เก่งมากๆก็มีสอนพูดเพียงคำสองคำก็ปฏิบัติตามได้พวกที่มีความรู้ความสามารถ ลองลงมาก็ต้องพูดบ่อยหน่อยแล้วพวกที่ลองลงมาอีกก็ต้องพูดซ้ซําๆซากๆอยู่เรื่อยๆส่วนพวกที่สี่นี้พูดไปเขาก็ไม่ฟังพูดไปแล้วก็เหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัขเคยเห็นเวลาที่เราเทน้ําใส่หลังสุนักไหมว่าเป็นอย่างไรสุนักมันก็จะสะบัดน้ําทิ้งไปหมดเลยเทไปเทไรก็ไม่ติดอยู่กับหลังของสุนักเทไปก็เสียประโยชน์ไปเปล่า ดังนั้นถ้าเราเจอรูปชนิดที่สีน่นี้ก็ต้องทําใจสอนแล้วก็สอนแล้วก็ผ่านไปเขารับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้คนที่จะทุกคนที่จะเดือดร้อนก็คือตัวเขาเองไม่ใช่เราเป็นผู้เป็นผู้สั่งสอนนี่คือหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กคือนอกจากเลี้ยงดูเด็กด้วยปัจจัยสี่แล้วคือให้อาหารให้ เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคแล้วก็ต้องให้ความรู้สั่งสอนเขาให้รู้จักผิดผิดถูกดีชั่วให้เขาได้ร่ำเรียนหนังสือมีวิชาความรู้เพื่อที่เขาจะได้บำเพ็ญเป็นมีสัมมาชีพธรรมหาชีพที่สุดจริตไม่ไปสร้าง ไม่ไปเป็นปัญหาให้กับสังคมและไม่ต้องทำให้เขาจะต้องไปติดคุกติดตารางหรือต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปนี่คือหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่นอกจากนั้นถ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเมื่อถึงเวลาที่จากโลกไปก็มอบให้ไว้เป็นมรดก หน้าที่อีกอย่างของพ่อแม่ที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำกันก็คือหาคู่ครองให้กับลูกๆ ก, กันเพราะลูกๆสมัยนี้มักจะหากันเองซะก่อนแทนที่จะรอให้พ่อแม่หาให้ก็หาซะเองก่อนแล้วซึ่งซึ่งมักจะหาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หาได้ไม่นานก็ต้องหย่าร้างกันไปเพราะความหลงความอยากนั่นมัน ทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มีสายตาที่กว้างไกลกว่ามีประสบะการณ์ที่มากกว่าที่จะดูปัจจัยหลายด้านด้วยกันไม่ใช่เฉพาะแต่ที่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่จะต้องดูจริตนิสัยดูฐานะดูความประพฤติดูอะไรหลายอย่างด้วยกันเพื่อที่จะได้ อยู่ร่วมกันไปตลอดลอดฝั่งและเป็นที่พึ่งพาอาศัยของกันและกันได้เพราะการอยู่ร่วมกันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่เพื่อเสพกามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องอยู่เพื่อพึ่งพาอาศัยกันเพราะมนุษย์เรานั้นอยู่คนเดียวนั้นลาบากกว่าอยู่ร่วมกันเวลาอยู่ร่วมกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้มีคน ที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคอยดูแลกันเวลามีความทุกข์มีความไม่สบายใจก็มีคนคอยปรับความทุกข์คอยให้กำลังใจกันจึงควรจะควรจะมองหลายด้านด้วยกันไม่ไม่เฉพาะแต่เพียงแต่ความพอใจทางรูปร่างรูปร่างหน้าตาเท่านั้นเพราะมันจะไม่เป็นที่พึ่งของกันและกันได้เวลามาแต่งานอยู่ร่วมกันแล้ว ก็มีอย่างอื่นที่ไม่ตรงกันเช่นความเห็นแก่ตัวถ้าต่างฝ่ายต่างมีแต่ความเห็นแก่ตัวกันไม่มีการเสียสละช่วยเหลือกันอย่างนี้ก็อยู่กันไปไม่รอดหรือไม่มีความอดทนอดกลั้นอย่างนี้ก็อยู่ไปไม่รอดดังนั้นในโบราณเขาถึงให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ ไปมาหาสู่สขอคู่ครองให้กับลูกๆแล้วในสมัยโบราณนี้จะไม่มีเรื่องของการหย่าร้างกันแต่งงานกันแล้วก็จะอยู่กันไปจนวันตายเป็นส่วนใหญ่มีมีบ้างที่หย่าร้างกันแต่เป็นส่วนน้อยไม่เหมือนกับสมัยนี้หย่าร้างกันมากมายและรวดเร็วบางทีแต่งงาน พอได้ลูกคนหนึ่งก็เลิกแยกทางกันไปแล้วสามีก็เบื่อภรรยาอยากจะไปหาใหม่อยากจะมีความอิสระไม่อยากจะรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูครอบครัวทุกวันนี้สังคมจึงเป็นสังคมแบบบ้านแตกเสาแหลกขาดเด็กจึงไร้ที่พึ่งแล้วก็พอโตขึ้นมาก็กลายเป็นภาระของสังคมเป็นปัญหาของสังคมไป ดังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเด็กๆนั้นขาดการดูแลอบรมเลี้ยงดูที่ถูกตามหลักศีลธรรมนั่นเองต่อไปบ้านเมืองก็จะวุ่นวายมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูอบรมเด็กๆเวลาแต่งงานกันก็ไม่เคยคิดถึง ว่าต่อไปเวลามีลูกแล้วจะทำอย่างไรมีปัญญาเลี้ยงดูเขาให้เป็นเด็กที่ดีขึ้นมาได้หรือไม่เพียงแต่ทำอะไรทำไปตามอารมณ์ตามความอยากทานั้นแล้วก็ต้องมามีปัญหาตามมาทีหลังอีกดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ไายควรพิจารณาให้ดีคิดหลาย หลายด้านด้วยกันอย่าคิดเอาแต่ได้เพียงหังอย่างเดียวถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะรับภาระการมีครอบครัวก็ขอให้เราอดใจอดกั้นเอาไว้อยู่ไปตามลำพังก่อนหรือว่าหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมีครอบมีลูกตามมาก่อนเพราะว่าเมื่อมีแล้วมันก็เป็นภาระที่หนักมาก และเป็นภาระที่ไม่มีใครเขามาทำแทนเราได้มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดยตรงจึงอยากจะฝากเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กให้อยู่ในธํานองครองธรรมให้เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีศีลธรรมเนื่องในวันเด็กนี้ให้ท่านได้ไปพินิพิจณ า, าและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูขที่จะตามมาต่อไปการแสดง